ส่วนธรรมชาติที่พ้นจากการเวลาจึงจะเป็นวิสังขารคือไม่เจ่ยสิ่งประสงค์ปรุงแต่งอันได้แก่นิพพานอันเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตาย ทุกๆสิ่งที่ขึ้นอยู่แก่การเวลานั้นต้องเกิดแก่ตายทางนั้นจะเป็นเทพก็าตามเป็นมนุษยก็าตามเป็นพรหมก็าตามขึ้นอยู่กับการเวลาต้องเกิดแก่ตายทางนั้นแต่ธรรมชาติที่อยู่เหนือการเวลาเป็นอากาลิโก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 ตั้งต้นแต่ธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรูซึ่งจัดเรียกว่าเป็นธรรมทิติความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยาม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 ที่แปลว่าทรงอยู่ดำรงอยู่ดังที่มีตัดเอาไว้ในธรรมนิยามสูตรว่าพระตถ า, าคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นก็นตามธาตุนั้น เรื่องเป็นธรรมติติความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามวางกำหนดแทแน่แห่งธรรมก็ตั้งอยู่รงอยู่แล้วอันได้แก่ข้อที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง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 เป็นอัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนพระตถาคตพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธาตนั้นคือธรรมติติธรรมนิยามนั้นแล้วจึงได้ตัด จำแนกแจกแจงแสดงเปิดเผยกระทําให้ตื้นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือทั้งสังขารและธรรมทั้งวิสังขารและธรรม เป็นอนัตตาดังนี้ข้อที่เป็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาดังกล่าวนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเป็นอาการิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเมื่อไรเมื่อไรก็ คงเป็นอยู่อย่างนี้คือขอีิสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ททั้งปวงเป็นอนัตตาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสัจธรรม ธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจพิงที่เป็นธรรมชาติธรรมดาดังนี้จึงเป็นพียงเป็นอากาลิโกและจิตนี้เองที่ได้สะดับฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ปฏิบัติจนกำจัดอวิชชาในหมดสิ้นเป็นวิชามังเกิดขึ้น วิมุตต์หลุดพ้นจากอาสวะทั้งสิ้นก็บรรลุถึงวิสังขารคือนิพพานเพราะสิ้นตันหาทั้งหลายก็บรรลุถึงความ เป็นอมตรธาตุอมตรธรรมธรรมะที่ไม่ตายอยู่เหนือการเวลาการเรกโกไม่ประกอบด้วยการเวลาพ้นจากภาวะที่เป็นสังขารซึ่งขึ้นอยู่กับการเวลาซึ่งตรัสว่า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 เมื่อทำความเข้าใจให้ดีพร้อมกับเงื่อนทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่ย่อมจะทำให้เข้าใจในอริษัตยสังสีของพระพุทธเจ้าดีดีขึ้นและสามารถที่จะจับการเวลาได้ถูกต้องรู้จักที่จะเสาหลัง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 ข้างในด้านที่เป็นสายดับทุกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปปัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้น ก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมและมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมาสุติเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะ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 มาโดยลำดับถึงหมวดสุดท้ายที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่น แห่งข้อสมัมมติทิฏต่อไปอีกหรือท่านระษาไบุหมดก็กล <c oughs> ่าวตอบว่ายังมีปริยายคือแทงคือทางแสดงอย่างอื่นต่อไปอีกและท่านก็ได้ แสดงอธิบายต่อไปอันนับว่าเป็นหมวดสุดท้ายว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จัก อาสวะรู้จักเหตุเกิดอาสวะรู้จักความดับอาสวะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเมื่อท่านให้หัวข้อไว้เป็นสี่ดังนี้แล้ว ก็ได้ให้อธาธิบายต่อไปว่ารู้ จ, จักอาสะวะอาสะวะมีสามคือกามาสวะอา ส, ะ ว, ะอาสะวะคือกามภวาสะวะอาสะวะคือพบ อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชารู้จักเหตุเกิดอาสวะคือเพราะอาวิชชาเกิดอาสวะทางหลายจึงเกิด รู้จักความดับอาสวะคือรู้จักว่าพระอวิชาดับอาสวะจึงดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะก็คือรู้จักมักคือทางที่มีองแปด มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะได้แสดงอธิบายในข้ออาสวะกิเลสที่ดองจิตสังดานที่หมักหมมอยู่ในจิตสังดาน ได้ชื่อว่าอาสวะจัดเป็นกิเลสอย่างละเอียดและกิเลสอย่างละเอียดนี้มีเรียกชื่ออีกคำหนึ่งว่าอนุัส คือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอ อนุัยนี่ก็แจกเป็นสามอีกเหมือนกันคือราคาอนุสัสอนุสัยคือราคาปฏิคาอนุสัสอนุสัสคือปฏิคา อวิชชานอนูัสอันุัยคืออวิชชาเป็นกิเลสอย่างในเอียดอีกเช่นเดียวกันคำว่าอาสวะกับมนุษยนี่ แม้ว่าจะมีชื่อเพี้ยนกันอยู่ก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันเมื่อแส ด, แดงถึงอาสวะ ถึงอนุสัยรวมอยู่ด้วยเมื่อแสดงถึงอนุสัยคือเมื่อยกอนุสัยขึ้นแสดงก็หมายถึงอาสวะรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะแสดงชื่อใดชื่อหนึ่ง ก็เป็นอันว่าหมายถึงทั้ทงสองนี้รวมอยู่ด้วยกันและเมื่อกล่าวว่าอาสวะอนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียด ก็ยอมจะมีกิเลสอย่างหยาบและกิเลสอย่างกลางอีกด้วยซึ่งก็ได้มีแสดงไว้ กิเลสอย่างหยาบนั้นเรียกว่าวีติกมะติเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวาน สำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมนกรกมได้แก่โลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอย่างแรง ที่เป็นตัวอากุศลลมูลคือเป็นรากเงาของอากุศลทั้งหลายก็ได้แก่รากเงาของอากุศลระก ร, รมดังที่เรียกว่าอากุศละกรร ม, มาท ทางของกรรมที่เป็นอกุศลอกุศลละกรรมมาบททางของกรรมที่เป็นอกุศล น, นั้นก็แจกเป็นสามคือเป็นกายกรรมสาม วจีกรรมสี่และมโนกรรมสามกายกรรมสามนั้น <c oughs> ก็ได้แก่ปารนาธิบตัตทำสัตว์มีชีวิตให้ตกลุวงปัปคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกทินนาทาน คือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยจิตใจเป็นขมโมยคือจิตใจคิดจะรักกางเมสุมิชขาจา ร, ระพฤติผิดในกามทั้งหลายเมื่อจีกรรมสี่ ก็คือมุสาวาตพูดเท็จเปิศุนาวาตพูดส่อเสียดพนุสวาตพูดคำหยาบสัมผัสปลาประวัต พูดโปรยประโยชน์คือพูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลมโนกรรมสามก็คื อ, อพิชชาโลบเพ่งเลงซับสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน พยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายหมายล้างผลาญมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองครองธรรมคือว่ากรรมที่กระทาไม่มีบุญไม่มีบาป เห็นว่าไม่มีเหตุคือผลที่ได้รับเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นความเสื่อมเป็นความเจริญต่างๆไม่มี กรรมที่ทำดีหรือกรรมชั่วเป็นเหตุแต่ว่าผลทางปวงเหล่านี้บังเกิดขึ้นตามคราวตามความบังเอิญ เป็นต้นไม่มีกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้มาเป็นเหตุเห็นว่าทุกทุกอย่างไม่มีคือข้อที่นับถือว่ามันดาบิดามีคุณนั่นก็ไม่มี พ่ถือว่าทำทานหรือบูชาต่างๆมีก็ไม่มีไม่มีสมณะพราหมณ์ภูประพฤติ ด, ดีประพฤติชอบเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดีสิ่งที่เรียกวัดชอบ ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าเป็นต้นอากุศลละกรรมมาบททางของกรรมที่เป็นอากุศลย่อมประกอบด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามดังกล่าว บังเกิดขึ้นก็เพราะมีเจตนาอันประกอบด้วยกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงลังกล่าวซึ่งเป็นกิเลสอย่างอยาบคือบังเกิดขึ้นรุนแรง จนถึงให้ละเมิดออกไปทางกายถวนันเป็นกายกรรมทางวจีถวนันเป็นวจีกรรมทางมโนโถวนันเป็นมโนโกรรมดังกล่าวจึงเรียกว่าวีติกามกิเลติเลตที่เป็นเหตุให้หลวงละเมิดพระพุทธเจ้า ก็เด้ดตรัสว่าอีกชื่อหนึ่งว่ากรร ม, มกิเลสจีตัดแสดงเอาไว้สี่คือปานาติบาตอธินนาทานกามามิจฉาจาร และบุสาวะจะแปลว่ากรรมที่เศร้าหมองก็ได้แปลว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้กระทำกรรมทั้งสี่ข้อนี้ก็ได้ คือปรากฏออกมาเป็นปานาธิบาตเป็นต้นซึ่งก็ปรากฏออกมาจากจิตใจนี้เองอันประกอบด้วยโลภกรดหลงอย่างรุนแรงและเมื่อจับแสดงถึงกิเลสอย่างรุนแรงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ ในขณะที่ประกอบกรรมอันเป็นอกุศลนกรรมบทหรือที่เป็นกรรมกิเลสดังกล่าวนั้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างอยากหรู้วีติกามกิเลสกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกทางไตรทวาร กรรมทั้งสามดังกล่าวนั้นกิเลสอย่างกลางคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นเป็นนิวร อ, อยู่ในจิตใจคือทำจิตใจไม่ให้พบกับความสงบ และทำปัญญาให้เสียให้สามคือเมื่อให้เกิดปัญญาที่เรียกวนนีวอนหรือที่เรียกว่าปริยุฐานะ คือกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ่ม